ขอกราบสวัสดีท่านผู้รับฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปทุมทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2550รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปทุมจะเป็นรายการสดครับทางรายการการพัฒนาพระเดชพระคุณพระเทพดี่ลกวัดปรนวัเนตริหารเป็นพิธีกรต่อปัญหาธรรมะครับหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการคือ022413315 022413315นะครับ รอรับทุกสายเพื่อสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาเลครับก็ไม่เปการเสียเวลาขอสายแรกก่อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกับขอรับเชิญสอบถามได้เลยครับขอเวลาที่นี้นะครับผมจะขอถามสังฆตัดถามคือผมมีดวงจันทร์ไวที่กำหนดอยู่น ะ, ะถ้าพูดผิดผมจะเลิกไปเลยนะ ค, ะคือวิจจะพูดว่าผมตัวผมมีแก้มซ้ายแน้นดามและขวามีไหว เตมีสิวหัวขาวหัวดำอยู่ตอนนี้ว่าผมเห็นตอนเล็กๆที่เรยเลามันหนึ่งถึงแนั้นนับหนึ่งแต่แล้วผมก็เลิกไปนะครับครับคนับอยากจะบอกว่าโลเคเขาเป็นอย่างนั้นไหมคือเหมือนกันครับไอชาเขาอยู่ยุโรปนก็มีขวาแต่ลซ้ายก็เป็นแรดเตือเออัทังนี้ก็เออกลางก็มีกลางก็มีญี่ปุ่นขวาก็กีงซ้ายกครับคับโครับขอประเด็นคถามชัดๆเลยได้หมครับเพราะว่าสายรออยู่เยอะมากเลยครับครับครับ้นนี้ทนี้ว่า ผมคิดตรงนี้มาถูกก็ที่รู้ก็มีอยู่ไหมไม่ใช่คือตรงนี้คือผมสังฆตาธรรมตรงนี้คงไม่ใช่นะครับข้อสองเทวดาแปลว่าอะไรแล้วก็ถ้าไม่ตายเป็นว่าเทวดาได้ไหมผมเคยพูดก็เทวดาว่าจะทำเมือทําตรงนี้ครับขอถามว่าขอถามเร่งนี้ครับถามว่าข้อข้อแรกชัดๆอีกทีนะครับถามอะไรนะข้อแรกถามว่าสังฆตาธรรมแปลว่าอะไรเหมืันมีดวงการอะไรที่เรียกว่าสังฆตาธรรมไหมสังฆตาธรรมแหละครับข้อสองแปลว่าข้อสองเทวดาใช่ไหมครับ เทวดาครับไม่้องมเป็นเทวดาได้โอเคได้ครับได้ครับงั้นรอฟังกางวิทยุนะครับเดี๋ยวเจ้าปุ้ยจะตอบให้นะครับขอบพระคุณมากครับครับผมอะไรนะสังคตธรรมครับผมทที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งครับก็หมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยกล่าวโดยสรุปก็คือเป็นสังคตธรรมกับอสังคตธรรมครับผม แต่เช่นบาคนเนี่ยเป็นสังกตธรรมเพราะเกิดขึ้นมาจากปัจจัยตรงปรุงแตง่งเพราะนอาจอสังคตธรรมก็มีอย่างเดียวคือนิพพาน<อ>นิพพานซึ่งไม่มีปัจจัยปรุงแต่งครับผม แลยวต่อไปเทวดาที้าเวดแปลว่าแปลว่าผู้เชี่ยวเล่นด้วยความเบิกบานสนุกสนานเพลิดเพลินครับเป็นเทวดาโดยมนุษย์ก็เป็นเทวดาได้ให้มีเทวธรรมเช่นมีหิริมีอตตปะมีชุดหนึ่งก็เป็นเทวธรรมครับหรือว่ามีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญาก็เรียกว่าเทวธรรมครับคือ แม้แต่กุบบศลกับฏสิทธิ์นะฮะก็ถ้าเราปฏิบัติได้ก็เรียกว่าเป็นธรรมะที่ทําคนให้เป็นเทวดาไม่ต้องการเป็นเทวิตได้มันไม่จําเป็นต้องตายหรอกอขอบคุณเจ้ากุญแจก็สายที่สองครับสวัสดีครับครับสอบถามได้เลยครับเเทุกวันนนี้ราห็ โทษโษนะครับค่อยมากเลยครับไม่ได้ยินเสียงเลยครับเห็นเห็นผู้กันถึงเรื่องพวกคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ธรรมพิบาลทุกวันครับครับครับผมอยากจะถามว่าไอไอไอไอโทษโทษนะครับพูดดังอีกนิดนะครับสายค่อยมากครับครับพวกคุณธรรมธรรมพิบาลจริยธรรมพวกนี้คครับผมคือมันกินความหมายไปแค่ไหนครับเห็นทุกวันนี้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะพูดกันมากนะโอ้ครับผมครับได้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับคือธรรมจริยธรรมธรรมพิบาลจ๊อบปัญหาจําการเอาคนพูดหรืเข้าใจหรือเปล่า คือคําเหล่าเนี้นะคําว่าจริยธรรมเนี่ยมันเป็นระบบะความคิดทางศีลธรรมในระบบปรัชญาครับอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้เป็นลักษณะาการเสนอแนะว่าเป็นธรรมะที่ควรประพฤติแต่ที่จริงแล้วสังคมไทยเราเนี่ยใช้คําว่าธรรมจริยาสมจริยาแปลว่าการประพฤติซึ่งธรรมก็เน้นที่กุศลก็บุตรับ ทีนี้ธรรมมาพิบาลนั้นก็เป็นภาษาที่เขาเพิ่งเรียกกันมาเมื่อไม่กี่วันนี้แหละก็แปลมาจากฝรั่งก็หมายความว่าการปกครองโดยธรรมแต่ว่าที่อเขาเข้าใจกับที่เราเข้าใจที่พุทธศาสนาแสดงนี่คืออะไรนะทัพพุทธศาสนาแสดงก็คือการบริหารทุกอย่างเลยตั้งแต่ตนไปเนี่ย แล้วก็มีธรรมะเป็นหลักกา ร, รในการวินิจฉัยในการตัดสินชีผิดชีถูกนใช้ธรรมะเป็นมาศ อ, อย่างเช่นพระมหากาษัตริย์ที่มีทศพิธราชธรรมมีราชสังฆะมีจักรวัติบัตรแต่นี้ก็เรียกธรรมมาพิบาลครับหรือแม้แต่พระองค์ราชองการหรือ ว, ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมาชนชาวสยามเนีเท่านี้ให้ได้ก่อนนั่นรับก็เป็นธรรมมาพิบาลแล้วก็ถ่ธรรมรัฐไปเป็นกวะไปอะไรก็ก็แล้วแต่จะเรียกเพราะว่า สรุปแล้วว่าให้มันยุติด้วยธรรมะก็แล้วรับชื่อทมันสมมุติเรียกเอาคขอบคุณครับสายที่สามครับสวัสดีครับฮัลโหลผมถามข้อนัครับครับผมพระโสดาบันกับปัสกิกาคามีกับสังโยชลสารนี่แ่างกันยังไงครับโสดาบันกัสกิตาคามคือพระโสดาบันนั้นทันละสังโยชสามประการคือสักกายติทิความเบิดเป็นิหตุถือตัวถือตนวิจิกริษาความเครียดแครงสงสัย แล้วก็ศีลรับตรบรมาการถือมั่นด้วยศีลวั ด, ด้วยข้อปฏิบัติชี่ปักใจขวังใจหรือว่าม่ยุติด้วยผลและความดีทั้งหลายเนี่ยครับทีนี้พอมาถึงสกิรคามีนั้นราคโทสะโมหะนั้นลดลงกว่าเดิมคือลดลงกว่าพระโสดาบัน ครับอย่ากหลัฐานเท่าที่พบนะเท่าที่พบยังไม่เจอพระสั ก, กระตคามีมีครอบครัวเขาแสดงราคาลดลงไปเยอะครับแต่ว่าพระโสดาบันมีครอบครัวนะยังครอบครัวอยู่นั้นคือจุดต่างครัว่าสัญโยค ก, ก็ล่ได้เท่ากัน<ม>แต่ว่าเพียงแต่ ว, ว่าพระสกิติกามีนั้นราคาโทสะโ ม, มหะนั้นลดลงกว่าเดิมลดลงกว่าพระโสดาบันเพื่อง ง, งั้นนะะแต่ว่าไปล่าขาดอีกทีหนึ่งตอนเป็นพระนาคามีไปล่าการมาราคะกับปฏิฆะได้อืม น, นั่นคือต่างต่างต่างอย่างสิ้นเนี่ยคือคือคล้ายๆกับอยู่ครึ่งครึ่งอ่ะจะกินตะขามีอยู่ครึ่งครึ่งเพราะว่าอะจะมาสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันพระโสดาบานันประเภทเอกพินชีเนี่ยก็มาสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน<อ>จะแสดงว่าไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่คุณธรรมเนี่ยเอาไปครับขอคุณชัดทุกจ่านครั บ, ร บ, ารบสายที่สี่ครับสวัสดีครับครับผมเอาถามสองคำถามครับผมครับเชิญเลยครับคำถามแรก จิตภายในคืออย่างไรจิตภายนอกคืออย่างไรถ้าจิตในจิตคืออย่างไรใช่ครับผมคําถามที่สองครับทําภายในคืออย่างไรทําภายนอกคืออย่างไรนี่แต่ได้บุรีแล้วไปทำพยุทนะครับอ๋เอเรื่องทจริงก็ถามบ่อยนะครับเนี่ย<ช>คือ<ๆ>คือจากจากหมาทติปัฏฐานคือหมายความว่าจริงๆและจิตที่ปรากฏในขณะนั้นก็เป็นจิตภายในจิตที่ยังไม่ปรากฏหรือปรากฏไปแล้วก็เป็นจิตภายนอกครับอทำมาก็เหมือนกันนี่ยนะฮะ ธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นเป็นธรรมะภายในธรรมะที่ยังไม่ปรากฏก็เป็นธรรมะภายนอกนอกจากสิ่งที่ปรากฏมันก็มีลักษณะเหมือนกัน ห, หมายความว่าเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยเหมือนกันเป็นกุศลอกุศลก็แล้วแต่นะคือ <Sometimes> คือสรุปว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามก็เกิดขึ้ น, นวยเหตุปัจจัยเหมือนกัน หรือบางทีดูหยาบๆยาบก็ดูในนิทานบุคคลพวกชาดกเนี่ยมันเป็นธรรมะจากข้างนอกใช่ไหมหมายความว่าตัวตนของบุคคลเนี่ยในในตัวละครในเรื่องเนี่ยมันก็แสดงอาการของธรรมะออกมาหมายความว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะคนนี้เล่นการพนันจนหมดตัวยากจน ถ้าเราไปเล่นการประ น, นันเราก็หมดมตัวยากยายจนเหมือนกันเ อ, เอาระดับนี้ก่อนเ <c oughs> ลยการ <c oughs> เอาระดับสังคมเนี่ย <c oughs> ดูตัวอย่างบุคคลดีบุคคลไม่ดีแล้วก็ถือตามปฏิบัติตามคนดีแล้วก็งดเว้นไม่ทําตามคนชั่วเนี่ย <c oughs> ก็คือทําภายนอก <c oughs> ถ้ามาอยู่กับเราก็เหมือนกัน อยู่ที่ใครก็เหมือนกันครับผมครับขอคุณครับศูนย์สองสองหนึ่งสอสหนึ่งห้าะครับมายังไม่ขาดสายเลยนะครับสายที่ห้าครับสวัสดีครับแฟนรายการครับคำถามเรื่องเท้าสกาเทวราชหรือพระอินทร์นะฮะครับผมาำที่ท่านเจ้าคุณได้กรุณาอธิบายไปว่าเทวดาเวลาไปฟาพุทธเจ้าเนี่ไม่เห็ใครนั่งนะฮะนะครับว่าไม่เห็ใครนั่งมีแต่ยืนนะฮะครับผมไม่เห็นภาพของวัดวัดหนึ่งนะครับตอนที่เท้าสกาเทวราชท่านจะสิ้งบุญวาสนาเนี่ยท่านเศ้ามองก็บอกฟาดพุทธเจ้าทีนี้ได้แล้วนะครับความกรุณาจากพุทธเจ้า อ่าท่านก็กลับเป็นกพระอินทร์เองนะครับรัศมีผ่องใสกว่าเดิมเองข้อคําถามก็คือว่าตามที่ท่านเจ้าคุณพูดกับภาพที่วาดไห้เราดูเนี่ยมันมันน่าจะจะจะจะเป็นอย่างไรครับอ๋อคือตอนนั้นกับอกขอบคุณมากครับตอนนั้นมานานโยและนั้นมานานแต่ก็นั่งก็มาพระอินทร์เป็นลูกศีษนะฮะพระอินทร์นี่เป็นลูกศีษเลยแต่ว่าเทวดาเหล่านั้นยังไม่เป็นลูกศีษเราจึงไม่พบการนั่ง วันก่อนนี่ก็พบในเทวตาสังยุตกระปรากฏดั้งอยู่งคหนึงเหมือนกันครับผมนะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยพบเพียงแต่ว่าอาพระอินเนี่ยท่านท่านท่านเห็นว่าท่านจะตุติแล้วก็เกิดขอที่พึ่ง่ะมาพึ่งหลวงพุทธเจ้าใช้อุบายวิธีเยอะมาทรว่าเฝ้าที่อินทสารนักูหาใช้ปัญจสิกขาเทพบุตรดีดพินนากว่าจะได้เรื่องดาวแล้วก็เรื่องอยู่นานอะมันคุยนาน่ะเทศสกปรนสุดอ่ะเขศยาว เพราะงั้นในบาลีเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกชัดเจนนะบอกก็ยืนอยู่ในที่กวรส่วนครั้งหนึ่งแต่ว่าจากการสังเกตว่าถ้าพระอินทร์กับสามบดีพรหมจะนั่งพราะเขาเป็นลูกศิษย์ครับผมเป็นลูกศิษย์ครับผมสายที่หกครับสวัสดีครับประการครับสวัสดีครับครับสอบถามได้เลยครับผมอยากจะถามว่าคุกุจน กุศลกับสินแปดเหมือนกันอย่างนี้คุณคุค่าหนักหนักต่อกันครับอ๋อครับอะไรนะอ่แต่โทษครับกุศละกุศลก็บรดสิบใช่ไหมครับผมครับกุศลกับสินแปดอันไหนจะมีคุณค่ามากกว่ากันใช่ไหมครับครับขอบพระคุณมากเลยนะครับครับสวครับโอก็ถ้าอย่างนั้นกุศลก็บรสิบก็สูงกว่าที่กรมกุศลก็บรสิบมันมันอันปรมโนมโนสุจริตมันมันมันเป็นมันเป็นพัฒนาจิตแล้วอืม แต่ว่าศีลแปดนั้นยังอยู่ระดับศีลอยู่ครับแต่ว่าก็เป็นปัจจัยของการละกันนะเราจะลืมว่าห้าข้อแรกก็ยังมา ก, ก็ก็อยู่ในกุศลกบฏสิบสี่ข้อแรกอยู่ในกุศลกบฏสิบแล้วก็ความไม่โลภอยากได้ของคนอื่นเนี่ยที่จริงศีลข้อที่หกเจ็ดแปดเนี่ยมันก็เป็นการลดความโลภอยู่ลดความโกรธอยู่ก็ลดความหลงอยู่นะฮะแต่ว่าเน้นที่ลดความโลภเพราะไปเป็นเรื่องระดับศีล แต่ถ้าเทียบเนี่ยมันกุสูงบทกุสิบกว่สูงกว่านะฮะครับผมผ่านกรับคุณชับด้วคุณจครับสายที่เจ็ดจับสวัสดีครับเป็นอะไรครับสวัสดีครับสอบถามได้เลครับท่านเจ้าคนเลยนะครับจะขอถามเกี่ยวกับเรื่องมนณะทิฏฐิต่อจากอาทิติแล้วนะครับครับผมคือท่านเท้าภกาพมท่านมีฤทธ์ก็ยังมีมนณะทิฏฐิเอ่อพระเจ้าปายาสิ ถ้าเป็นคนมีความรู้ก็จะมีมารณที่ผิดนี่แหละค่ะทีนี้นะครับในสังคมปัจจุบันนี่นักวิชาการยิ่มีความรู้ก็ยิ่งมีมารณที่ผิครับนี่อยกจะถามว่าเราจะสร้างบุญ อ, อย่างไรครับเพื่อถ้าหาเราไม่เกิดเป็นมนุษย์ผิดทดต่อไปเนี่ยฮ ะ, ะจะได้ไม่ต้องมีมารณที่ผิดนะครับ ทิฏฐิเราไปจากไปยืดนะครับขอบพระคุณมากครับคือคือทิฏฐิเนี่ยบางทีอย่าลืมมาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิครที่เราพูดเนี่ยเราพูดหมายถึงมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าที่โยมพูดเนี่ยคือถือรั้นเป็นบวามเห็นลักษณะถือรั้นไม่ใช่เรื่องมิจฉาทิฏฐิโน้นหรอกมันเป็นเป็นเป็นเรื่องของมานะทิฏฐิที่ประรบวิชาความรู้ นะคนอาศัยทรัพย์อาศัยยศอาศัยส ก, กุลอาศัยตำแหน่งหน้าที่อะไรต่ๆ เ, เกิดมานะทั้งนั้นแหละครับเกิดเกิดเกิดก็ดเกรียกอหังการมังการขึ้นมาทีนี้อาการจะละนี่แม่มันทิฏฐิมันต้องระดับโสดาบันนะแล้วก็มานะนีนโน่โนนพระอรหันโนนคือ <laughs> <c ười> คนทั่วไปมันลดได้แต่ละไม่ได้หรอกรมันเป็นเรื่องกิเลสละะละเอะละเอียดคือคือมานะมันถึงจุดหนึ่งมันมันดีในแง่สังคม เช่นอาจารย์มีมานะคือมีความรู้สึกว่าเราเป็นอาจารย์ต้องเป็นอาจารย์ทีด่ดีเห <en without> <dog> ็นไหมมันก็เป็นมานะในทางที่ดีพรานะบวกมันก็มีครือคือแต่ว่าเขาจะเรียกว่าสัญญาคือมีความสํานึกว่าเราเป็นสรรมณะก็เป็นธรรมณะที่ดีเราเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ดีเราเป็นพ่อที่ดีอันนี้พิจิงกมันก็มานะเนี่ยจิจิงก็มานะความถือตัวว่าเราเป็นครับเนี่ยขัตติโยอาหารอิติมาโนมานะว่าเราเป็นกษัตริย์ เราต้องเป็นกษัตริย์ที่ดีเห็นนมะมันมั น, ม, นมันก็ระดับสินธรรมยาญามันก็ดีครับแต่วันนั้นเขาพูดโน่นก็พูดระดับสังโยชน์ครับที่มาจากนั้นแล้วเสเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราคิดว่าชาติชาติน้าเนี่ยเราจะเกิดอีกเนี่ยทำยังไงเราจะทำบุญสร้างกุศลอย่างไงไครับเพื่อให้ลดมานะคือก็ทำทำได้ไหมครับ อ๋อไม่ใช่คือคือถ้าพบภูมิเรบันนี่ขึ้นวันนี้มันลดเองอ๋อถ้าพบภูมิโราันนีขึ้นชครับคือพบภูมิโรบัตโรบันนี่ขึ้นเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นเป็นสัตว์ที่เกิดด้วตรเหตุคือตอนเราดับนี่เราสงบจากโลภะโทสะโมหะพบภูมิเราจะดีภูมิจินเราจะดีพบเราจะดีเพราะนั่ไอ้ที่ตีมาน้ำจะลดลดไปเรื่อยละลดไปถึงถึงนอนแหละ รอดไปได้ดีก่อนตายสําคัญมากนะครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสมสามห้าะครับสอถามปัญหาทําไมเข้ามาได้ครับท่านเจตครับพรุ่งนี้ท่านเจตท่านเจตคือคือคือเดียวโยมคือโยมตายคือประกาพร omn ั้นมันแก่แก่แก่รับรู้มามันเป็นสัตตะทิฏฐิมันเป็นสัตตะทิฏฐิคือเข้าใจว่าตัวตนเขาท่านนี่เที่ยงครับผมก็แต่นั้นเองมันไม่ใช่ไปไปทะเลาะวิวาทอะไรกับใครหรอกแต่เข้าใจว่าตัวพร omn ี้เที่ยง เพราะว่าเวลาเป็นระบบความเชื่อสมัยนั้นมันมาจากพรมมันไงอัตมันเนี่ยมาจากพรมมันพรมันก็เที่ยงอัตมันก็เที่ยงจะกลับบูรวงประโภมเวลานท่านท่านท่านก็ก็ที่จริงก็คือลทัทธิพระเจ้านะละทัทธิพระเจ้ากระผม จะพูแต่ครับพรุ่ง hmm น <sh ี้เจ้าคุณจันไปนครสวรรค์นี่ไปเที่ยวที่ไหนคับเพื่อแฟนรายเแฟรี่แลนด์ฮะแฟรี่แลนด์ศูนย์การค้าใหญ่กลุ่มการค้าของคนไทยใหญ่คในที่แฟรี่แลนด์เขาก็พูดภาคเช้าสองสองโมงเช้าแล้วพูดภาคบ่ายภาคบ่ายประชาชนทั่วไปภาคเช้าก็เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่คือผู้จัดการใหญ่เขานี่เป็นมีสถานที่ปฏิบัติธรรม ฝึกโคตรของเขานี่ฝึกกรรมฐานหมดนะฮะใอครับฝึกกรรมฐานหมดเก่งมากครับผมรังนั้นประชาชนทั่วไปที่อยู่นครสวรรค์ก็พรุ่งนี้ไปฟังได้นะครับทุกครับครับผมช่วงบ่ายนะครับทุกท่าครับที่สุนช่วงเช้าก็ได้ช่วงบ่ายก็ได้ช่วงบ่ายช่วงบ่ายดีกว่าต่ประชาชนทั่วไปเราฟังได้ครับผมขอบคุณทุกามากครับสายที่แปดครับสวัสดีครับแฟนรการครับศาสราจารครับขุเจ้าครับผม แล้วก็สวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมเอ่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือคีิวิสุทธิมัติ้ก็ศึกษาในเรื่องเครื่องเมนานุสีนะฮะเขาบอกว่าคนในกันหนีพยามาตุราาเนี่ยไม่คนเลยในทั้งอพระโมคคัลาภาษาลีบุตรในทั้งขจัดที่มีกลับล้มกวนพูดดังอีกทีนะครับแล้วก็ในทั้งพุทธเจ้ากันนีไมคนเช่นเดียวกันเลยนะฮะมตุราชตัวนี้ก็คือ การเวลาหรือยังไงธรรมชาติหรือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นลาเป็นเขาไม่ใช่ความตายความตายขาดรู้สักการครับผมหมายตัวหมายหมายถึงเจ้าของความตายอ่ะตัวความตายอ่ะเกิดแก่ตายไงเกิดแก่ตายมันก็นีไม่รอดแหละถ้าหนีได้จะอยาเกิดถ้าเกิดก็หนีแก่ถ้าถ้าไม่เกิดก็หนีแก่หนีตายได้แต่ถ้าเกิดมาแล้วมันหนีตายไม่ได้เพราอตายมันมาคู่กับเกิดอ่ะจบลงที่เกิดอ่ะเกิดมันจบลงที่ตายครับ แต่ว่าเสร็จแล้วก็เกิดต่อะก็หมุนวนก็อยู่อย่างนี้คือเขาใช้ในทํานองภาษาสื่อสารกับชาวบ้าน<อ>แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราก็เรียกว่ามัดยุมานมุานนเราเรียกว่ามัดตุมานก็คือผู้ล้างผลาญทําให้ตายครับทําให้ตายหรือผู้ฆ่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกครับท่านอาจครับแล้วการที่เรา ปัจจุบันนี้มีคำทำรุนทํารายต่างๆมากมายเกิดขึ้นเมืองไทยจะเป็นอย่างอย่างนี้ฟนรการหลายท่านบอกว่าถ้าจะกลัวกลัวความตายขด้วยาหมที่คุณแจงทำยังไงไไไ ค, คือ ม, มันความตายนี่กลัวล่วงหน้ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรครับผมนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราช่วยคิดว่าเราต้องตายแน่เนี่ยแล้วก็ในก่อนที่จะตายเนี่ยทำความดีให้มากที่สุดออตายเมื่อไรก็ตายนะเขาเรียกไม่กลัวต่อปาโลก คือไม่กลัวว่าตายแล้วจะตกนรกคุณทำความดีไว้เถอะ ต, ตายเมื่อไหรเราเราเราไปเกณฑ์ไม่ได้หรอกบางทีก็ไม่อยากจะตายแกตายบางทีอยากตายไม่ตายคือคือตายเนี่ยมันเรื่องของมันอะครับผมเรื่องของมันมันจะเกิดเมื่อไหรเราก็ไม่รู้ครับหานี้มิตรกำหนดหมายไม่ได้ชีวิตครับผมทำความดีเอาไว้ครับผมแต่เราตายแน่ครับตายเมื่อไหรไม่รู้ตายที่ไหนไม่รู้ตายอย่างไงไม่รู้เราไม่รู้ ขายได้ไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยครับแต่มีความดีไว้สบายมากได้ทำควนเดียวไว้ขอบคุณจุกท่านมาครับสายที่เจ้าครับสวัสดีครับครับผมอคําถามนะคะครับผมอการที่เขาถวายพระปรารอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถวายสัจธารเนี่ยที่มีกล่าวคําถวายนะครับในสมัยพุทธกาลมีการกล่าวคําถวายหรือเปล่าครับผมแล้วก็ถ้าเกิดไม่กล่าวเนี่ยจะจะเกิดผลไหมจะเกิดประโยชน์ไหมนะครับครับผมแล้วก็เสริมคําถามนิดนึงครับผมครับ อ่ายกตัวอย่างบุคคลนะคะบุคคลมาบุคคลที่ชอบเพ่งโทษผู้อื่นอย่างนี้นะ ค, ะครับเรามีวิธีแก้ไข ย, ยังไงบ้างหรือเปล่าครับผมครับเราไปถวายุทนะครับครับผมครับผมเอ่อคือคือการถวายเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยหมายความว่ามันมีพระก็พูดบาลีโยงก็พูดบาลีครับนะก็ถวายครับ ถวายอาจจะกล่าวหรือไม่กล่าวมันก็ไม่แปลกอะไรนะฮะข้าพเจ้าขอถวายสิ่งนี้แก่ท่านก็จบละแต่ว่าการได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ได้ผลอยู่แล้วนะกล่าวคำหรือไม่กล่าวคำคำสมัยนี้มันก็แต่งกันนะ่ะแต่งกันก็ที่จริงก็คงเป็นแผนการร้านค้านัานะนะ่นแหละก็ก่อสร้างขึ้นเป็นรูปศาสนาพิธีเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นทีหลัง แต่ว่ามันมันทานในสม็โจโดยเจตนานะสมร็โจโดยเจตนาที่เราก่อนให้ขณะให้หลังจากให้เนี่ยมันก็จบแล้วคือคือคือเราจะกล่าวหรือไม่กราวมันก็มันก็สมร็จประโยชน์แล้วครับอ่าฝรั่ ง, <ห>งการเพร่งโทษผู้อื่นอ๋อเ <นะ S 2> พ่งโทษผู้อื่นธรรมชาติมนุษย์ครับคือคนพาเนี่ยมีการเพ่งโทษคนอื่นเป็นลักษณะบัณฑิตเนี่ยเพ่งโทษตนเองเป็นลักษณะนั้นคือจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์เลยครับผม นะเพาะงั้นคนคนในเพ่งโทษคนอื่นก็หมายรู้ว่าเขาเป็นคนพาเราก็จะเป็นในที่เขาเป็นกันแล้วกันะ<ช>แต่เราแก้ไม่ให้เขาเป็นแก้อยากคร<ช>ับแก้ไม่ใหเขาเพ่งโทษนี่แก้ยากเราเราแก้ตัวเราไม่เพ่งโทษเดี๋ยแก้ได้ <c oughs> แต่แก้คนอื่นแก้ก็ยากอ<ช>่ะคที่เขาบอกว่าอนินทาการเลมนเท์ น, น้ำไม่ชอกช้ำ ม, มือนมีดมันกรีดหินแม่องค์พระปฏิมายังราคินคนเดินดินหรือจะพ้นคนนินทามันไม่ได้พระพุทธเ <c oughs> จ้าว่าเป็นโบราณเมตังอันนี้เป็นของกล่าว โค้นมติได้ทั้งนั้นแหละครับผมโคนเพ่งโทษวุฒว่าได้ทั้งนั้นแหละเราขอบคุณเจากุญแจครับสายที่สิบครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมขออนรโมาการพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ด้วยนะครับอ่าบคุณสอบถามได้เลยครับเออขอถามอย่างเราทําบุญบบที่เราไม่ต้องไอ้หยาดน้ําได้ไหมครับทำใจได้แไหมครับเออหมายถึงกวดน้ำเหรอครับ ครับครับครับผมสมมุติว่าถ้าถ้าเราทําดําสําเร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะกลับบ้านบ้านไม่ได้กรวดน้ํากดอย่างนี้จะทําได้หรือไม่ใช่ไหมครับครับผมแล้วป้าจามยุทครับครับผมครับผมคือที่จริงมันมันบุญเนี่ยในรูปกองทานนามัยนี่เสร็จแล้วครับแต่ถ้าเรากรวดน้ําเนี่ยมันเป็นเรื่องของปฏิทานนามัยปฏิทานนามัยหรืออุทิศกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายพี่น้องสัพพสัตว์อะไรต่างต่างเนี่ย มันคนละบุญกันนะฮะคนละบุญกันคือทานเอาไม้ในเสร็จแล้วครับแต่ถ้าคุณต้องการอุทิศส่วนกุศลแก่คนอื่นคุณก็กรวดน้ําอุทิศกุศลให้ทีนี้น้ำในกรวดไม่กรวดไม่ได้แปลกอะไรน้ำเป็นธรรมเนียมพราหมณ์เฉยๆคือเราก็อธิษฐานใจสมัยพุทธกาลใช้คําสั้นๆอีดังโวยาตินางฮุนตูสุกิตาโห้ตุยาตโยท่านนั้นเองครับพระพุทธเจ้าแต่นั้นเองครับพระพุทธยารับสั่งเองนะฮะครับสั่งเองครับ เรื่องกรดน้าที่หลังมันเขียนกันใหม่ครับผมที่พรจารับสั่งกันนี่แกแก้บรรทัดเดียวครับผมขอบคุณครับผมสาที่สืบจับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านวิทยกรค่ะแลวก็สับจากนักประการท่านตุคูลตุค่ะเออตอนนี้สุนที่ทักเรากะลังว่าอะไรชื่อชาวพุทธเพื่อจะเอาไปเอ่อไปให้รัฐบลอีกครั้งหนึ่งนี่แะค่ะ คือจะขอกระงคือถ้าถ้าผูศาสนาแล้วราชกาแล้วก็ของเก่าอยู่ที่ไหนคุณคะเพราะนั้นเราก็ล่ามาได้ตั้งมากแล้วนะคะของความเห็นที่เนๆในบรท่ากาศนักมาตรการครับเราพอใจนะครับครับองเอาไปเผาหมดแล้วเรยโยมของมาตั้งรถบรรทุกหกล้อนะรถหกล้อก็คงเผาไปตั้งนานแล้วครับ ราะงั้นเวลาเนี้ยมันก็ประเด็นก็คือประเด็นที่เราต้องการก็พอเป็นไปได้เนี่ยคือประเด็นว่าขอพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติครับขอพระหมหากษัตริย์เป็นพุทธมามกะซึ่งในรัฐมนูลฉบับปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอเออขอกลับไปเอาทั้งสองอย่างแต่ถ้าขอก็สวงในรู้สึกจะ ย, ยากครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับาศาสนาอื่นครับ ปัญหาว่าเอาศาสนาอื่นไปไว้ที่ไหนล่ะครเพราะเขาก็คือคนไทยอะ่ะคถ้า ง, งั้นมันมันก็ต้องคิดเหมือนกันถ้าจะถ้าจะตั้งอย่างงั้นมันก็ต้องตั้งกระทรวงศาสนาศิละปะและวัฒนธรรม<อ>ก็เพื่อเปิดเปิดพื้นที่ให้ศาสนาอย่ <laughs> ได้วยอย่างนีอย่างน้อยเป็นกรมหนึ่งกรมก็อยู่ในกระทรวงศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมครับต่อกําหนดอธิบดี ก็เป็นคนที่นับถือศาสนานั้นอะไรเนี้ยคื อ, อ, ค, อคือมันมันมันการอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องประนีประนอมนะฮะมันไม่ใช่ว่าแข็งกล้าจะเอาเฉพาะเราคือสังคมมันก็เป็นผู้สังคมมันก็ต้องเปิดนะครับแล้วเราสะเพสตานะเราแผลเมตตาเป็นสะเพสตาบางทีมันต้องทำไม่ได้มันไม่ใช่ว่าฉันจะเอาข้องฉันแหละคนอื่นไม่เกี่ยวแต่รเราขอพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาตินั้นเป็น เป็นมาแล้วโดยนิติประเพณีครับตั้งแต่โบราณเขาไม่ให้การสําคัญตอนเปลี่ยนแปลงกันปกครองแต่นั้นเองแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นโดยนิติประเพณีเพราะไม่มีรัฐธรรมนูญกฎหมายสมัยก่อนมันก็เป็นนิติประเพณีครับทุกเรื่องนั่นแหละอ่าฝับขอบคุณครับที่คุณเจะครับนักศึกษาฝากมาถามว่าออยากจะตักบาตรทาบุญให้กับประเทศไทยเนี่ย สิพอ ท, ท, ทำบุญให้กับประเทศไทยะล้จาริษฐานยังไงถึงจะถูกต้องครับอยากให้ประเทศไทยร่มเยเป็นสุขมีความสุขความเจริญอย่างเงี้ยทุกคนครับ ก, ก็ก็หมายความว่าก็ต้องทำอุทิศแก่บรรพุรุษอุทิศแก่เทวดาพิษสยามเทวดาธิราชและตะระกงต่างเนี้ยบรรเทวดาอารักษ์ทั้งหลายนี่นเพราะว่า ไปแผ่นดินก็การมโนทนาเราไม่ได้หรอกครับผมไอ้ความเล่าร้อนนี่มันไม่มันไม่ได้อยู่ที่แผ่นดินมันอยู่ที่มนุษย์อยู่ที่มนุษย์อยู่ที่พฤติกรรมของมนุษย์โลกนี้ถ้าไม่มีมนุษย์มันก็ไม่พุ่นหรอกครับที่มันยุ่งเพรามีมนุษย์นี่แหละครับถ้าเออคือมนุษย์ถ้าถ้าระดับมนุษย์จริงๆมันก็ไม่พุ่นแต่ระดับคนเนี่ยมันวุ่นครับระดับคนเนี่ยคนคนทํำมันยุ่ง นะครับครับผมขอบคุณครับที่คุณจ่าครับเอมีพระเดชพระคุณสอบถามปัญหามาจากสายเมื่อกี้นะครับหลังไหม่สอบถามว่าอยากจะทราบว่าเทปบรรยายในเรื่องของพระสูตรของท่านที่คุณจ่านั้นมีจําหน่ายที่ไหนและมีกี่ชุดครอบคลุมพระสูตรมากน้อยเพียงใดจะติดต่อได้อย่างไรบ้างครับอยากจะนําไปศึกษาอคือถ้าพูดจริงๆเนี่ยมันครอบคลุมพระสูตรประมาณรักห้าหกร้ยนะห้ารอยสูตรอื อาจจะถึงเจ็ดแปดแล้วมั้งตะ ว, วันเนี่ยรทีนี้มันมันอีกชุดหนึ่งในชุดหลังเนี่ยมาไม่มีทุนที่จะทำมันมีแต่มัเตอร์มัตเตอร์นี้ก็ประมาณสักร่วมสี่ร้อยสูตรแต่ที่ทำไปแล้วเนี่ยก็ประมาณตั้งสามร้อยสูตรเป็นเทปคาสเซ็ตหรืเป็น c ีดีศศ <CD. S 2> ตอนนี้เป็น c ีดีเป็น c <CD S 1> ีดีโยมก็ทำรู้สึกค่ๆจะมีมันมันจะมีจำหน่ายหรือเปล่าแต่ว่า ก็มีม <Laure en> ีแจกนะแต่ไม่ทัาหมดอะไอย่างเราไปถามที่ศูนย์ด่วนะครับโทรไปที่โทรแปดหนึ่งสองหนึ่งสามเก้านะฮะโทรถามไปครับผมแล้วเขามีหรือเปล่าครับผมมันต้องถามเจ้าหน้าที่เขาครับผมไอ้กลับมาแสการ์ประเดิมคุณที่โทรศัพท์มามันนะครับคือของท่มามันมันมันไม่ขายคือเงินมันไม่กลับมา <ช>แจกไปเลยแจกไปเลยแจกไปเลยพอเงินช็อตเราก็นิ่งเลยเราจะทำอะไรไม่ได้คือทุกอาจารแจกหนังสือเยอะมากเลยครับท<ช>ุกอย่างครับแฟ<ช>นรายการก็ถามว่าถ้าจะช่วยสมทบทุนในเรื่องนี้ก็สมทบทุนไปที่ศูนย์ส่งเสริมได้ไหมครับทุกอย่างก็ดีฮะคือคือมันก็นก็ทำเป็นงานมันเดินขึ้นอ่ะครับวันก่อนก็มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งอก็เห็นได้รู้ข่าวเรื่องศูนย์ส่งเสริมเนี่ยครับก็เอาเงินไปถวายครับ ไปหกพันครับจะไม่ยอมเอาใบอนุโมทนาบอกว่าเขียนไว้หน่อยเถอดเดี๋ยวคือแก่ขอการละมสุสตรด้วยขอกาละมุสุครั บ, รบก็บอกว่าขอเขียนเนตเดชไว้เดี๋ยวจะส่งการละมุสตรไปให้แล้ ว, วก็ได้ส่งอนุโมทนาด้วยครับผมนะอนุโมทนาโยมด้วยก็แล้วคือไปอยู่แถวอะไรมาด้วยครับขอบคุณครับยัยพระเดชพระคุณสักครู่นี้นะครับโทรศัพท์ไปได้นะครับที่สองศูนย์สองนะครับสองแปดหนึ่งสองหนึ่งสามเก้านะครับ ถามเจ้าที่ที่สูตรเสริมนะครับว่าในเรื่องเกี่ยวกับเทปบรรยายธรรมของพระเดชคุณนะครับซีดีเล่มเกี่ยวกระสูตรนะครับเป็นยังไงติดต่อได้ยังไงบ้างนะครับขอแากสายต่อไปนะครับสายที่สิบสองนะครับสวัสดีครับแฟนรายการครับผมขอขอขอช่วยเจ้าคุณอาจารย์นะครับคือตอนนี้กระแสของเจตุความรามเทพอะไรมันมาแรงมากครับอยากให้เจ้าคุณอาจารย์ เอาธรรมะนะครับช่วยให้มากๆครับผมเป็นกาลังใจช่วยนะ ค, ะ um ครับรคุณมาตา ค, คุณมาราลองกับมาตาด้วยกัก็สงสัยนะฮะ ค, คือคื อ, อยังนึกยังงงงอยู่เนี้ยเวเนี้ยทาไมมันศยศาสตร์มาแรงเหลือเกินขชาอย่างนั่งคิดตัวเอมันคล้ายๆกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ค, คือศยศาสตร์มาแรงมากนะฮะสมัยกรุงแตกกรุงแตกเนี่ยเรานึกดูว่า ไปรบพม่าไปตีพมา่าทวัดการ้องอาจารย์บุญช่วยยืนดำไรยืนโปกพวกพกพยันน่ะพกพยายนแล้วก็รำดาบอยู่หน้าเรือหัวเรื อ, อมพม่ายิงโครมเดียวตกนะทหารคน<า><า>รับแตกเลยค ร, รครับผมคือน่ากลัวนะฮะต้นศิศาสตร์เนี่ยน่ากลัวมากเพราะว่าคนจะฝากทุกอย่างไวท้ที่นั่นแหละที่สิ่งที่ตนนับถือพอพอ พอสิ่งที่ตอนนับถือไม่เป็นอย่างที่ตนคาดหวังขวัญเสียครับก็นึกดูว่ากองเรือทั้งกองนะไปฝากชีวิตไว้แก่หมอศยศาสตร์คนหนึ่งวปรำดาบอยู่หัวเรือครับถูกปืนพม่าทีเดียวตกน้ําครับเรือแตกครับกองเรือแตกครับอันตรายนะฮะมาอย่างงี้นัเกะทายังไงจะช่วยเสือสงบได้แต่เมื่มันไปอย่างนี้มาแรงนักเกินเจ้าตัวคารามาเทศเนี่ย มาโทรคุยกับสมภารวัดพระมห า, าธาตุลูกศิษย์อ่ะครับก็บอกขาว่ามันแรงลักเกินอุ่มแรงแรงไม่รู้จะไหวยังไงแล้วครัล้านห้านาจันบางรุ่นเนี่ยองหนึ่งล้านห้าหลยวันก่อนามาไปเทศงานศพขุนพันธรากรเฉเดชเ็ต้องไหวามากรองนะมามันนั่งแจกที่เออสุราษฎร์ธานีหมดเลยเลยก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ที่คุณจันครับอย่างนี้เออ แ, แลนรายการไหนก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าอย่างพระพิสุสธิสงในประเทศไทยเนี่ยจะทํำยังไงถึงจะมีแนวคิดเหมือนที่คุณอาจารย์คือเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่ทางด้านพวกนี้อย่างเดียวก็จริงครับคือเป็นปัญหาสําคัญว่าพื้นที่ที่จะเล่นเนี่ยที่จะทํางานเนี่ยการนักเผยแผ่เนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือมันขึ้นมาจากข้างล่างครับมหมายความว่าสังคมเรียกร้องเราจึงมีสนาม ถ้าสังคมไม่เรียกร้องเราก็ถูกถูกล็อกไว้กันที่เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเหล่านี้ท่านก็ดิ้นไปที่จะทํางานซึ่งท่านสามารถช่วยเหลือสังคมทางใดทางหนึ่งครับเราเห็นใจท่านเพราะว่าคณนะเอรัฐบาลในตัดคณะสงออกไปจากการเมืองตั้งแต่ปลายา ก, การที่ห้าอันนี้คือคือเหตุหนึ่งที่ทําให้พระว่างงานว่างงานก็ต้องคนเร า, าต้องหางานทําอ่ะครับแล้วนี้พ อ, อถึงจุดหนึ่งปรากฏว่าสังคมมื่เกิดอ่อนแออ่อนแอก็ดิ้นรนเพื่อหาที่พึ่ง แล้วก็ศิลศาสตร์มันก็ใกล้ตัวครับเพราะว่ามันสามารถหลอกลว ง, งไงก็ได้ศิลศาสตร์เด็กคนก็เชื่อแต่ว่าการเทศนี์มันหลอกลวงไม่ได้ครับนมันมันมันก็ทําให้เราพูดตรงไปตรงมาซึ่ง ค, คนรู้สึกว่าเหนื่อยแต่มันสู้จตุคามรามเทพไม่ได้ขออะไรก็ขอได้ซึ่งก็เชื่อได้ว่าขออะไรก็ขอได้ครับเออถ้าขออย่างงั้นได้ก็ประเทศก็ ขอให้มีเศรษฐกิจดีมีเงินไหลมาเทมาดิขอจิตนะไอ้เรื่องคือคือมันมันทำให้คนไม่คิดอะศยศาสตร์เนี่ยกับจะไม่คิดมันจะยอมจำนวนเลยครับให้เราสังเกตว่ามนุษย์ไม่เคยต่อต้านเทวดาครับ เทวดาให้เคราะหยังไปบูชาราหูให้เคราะหยังแห่ไปบูชาราหูนี่คือจุดอ่อนแรของมนุษย์ครนะฮะพราะนั้นให้เคราะห์พราะนั้นเล็งพระนั้นเอาทำวิธีบูชาเคราะหบูชารพา ร, ระนั้นว่านี้เป็นเป็นก็เป็นเรื่องให้ดูที่ว<โ>่าพระองค์สมเด็จพระสัม ม, สมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยสอนให้เราวิงวอน<ม> อ, <ร>อ้อนวนเลยนะครับจริงจริงก็คือคือถ้าเราเอาหลักการเดิมแล้วนักรกษนาการวิงวอนเนี่ยไม่มีครับแต่ว่า อย่างว่าพุทาสนาก็ไหลผ่านระบบต่างๆมามันก็ปนปนกันมาเราก็เห็นกันอยู่นะะว่าอะไรอะไรปนมาบแต่ว่ามันก็เป็นตุ๊กตามันมีความจะเป็นระบับเด็กๆความรู้จะว่าอย่างไงองคมเราก็อ่อนแออย่างนี้รั้นก็ขอขอบคุณพระเดชพระคุณนะครับท่านพระพิสุท สงหลายรูปนะครับที่ฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศิปทุมอยู่นะครับก็หลายท่านนะครับจากวัดหลายวัดฟังรายการแล้วก็เคิดจุดหมายมานะครับาบางวัดเช่นวัด เ, เาบญจมาศิพิทนะครับท่านมีพระคุณเจ้าหลายรูปที่ฟังรายการอยู่ก็ขออนุโมทนาขอขอบ ข, ขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับการที่ได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากมห AH าวิทยาลัยศิรปทุมโดยตลอดและสม่ำเสมอนะครับสายที่สิบสามครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นมาตรการสมเด็จพ่อครับ ก็คือมีปัญหาสองข้ออยากจะเรียนถามนะครับคือข้อที่หนึ่งเนี่ยเรเท่าที่ทราบมาคือทุกวันพระใหญ่นี่นะครับจะมีเทวดาแต่รบกวนขอเสียงดังอีกนิด น, นึงนะครับทุกทวันพระเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบมาว่าทุกวันพระใหญ่นะครับจะมีเทวดาหรือหน้าเทวดานี่ครับมาเกิดลายชื่อเป็นทําดีทําชั่วอะไรเนี่ยครับแล้วทีนี้เท่าที่ทราบก็คือว่าเทวดานี่ปกติท่านจะ เห็นนะครับมนุษย์เนี่ยทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยจะมาท่านจะไม่ยิ่งกว่าในสมัยพุทธกาลเลยครับเพราะว่าทุกวันนี้คนทําไม่ดีมากกว่าคนทําดีอะครับ<อ>แล้วข้อที่สองก็คือว่าอยากจะให้หลวงพ่อเนี่ยครับเพราะผมศรัทธาหลวงพ่อมากเป็นปเพื่อนโคตรตับประมาณิกาลูกตับประมาณิกานะครับคือศรัทธาหลวงพ่อมากอยากจะให้หลวงพ่อให้กำเลิดชายครับ เพราะว่าตัวเองเป็นลูกสร้างชั่วคราวเงินเดือนน้อยะครับบาทีมีความท้อแล้วก็อยากจะให้หลวงพ่อให้กําลังใจครับครับขอบคุาข้าราชกแล้วก็ป่าและมัตรการหลวงพ่อครับคขอบคุณมากเลยนะครับเรื่องคือวดาเขที่คุยแต่งครับคือคือระบบตรงเนี้มันเป็นคําสอนที่มีอยู่ในไตรภูมิพระร่วงครับก็การเชื่อไว้เนี่ยมันไม่เสียหายเพราะเป็นเหตุที้เรากลัวความชั่ว แล้วก็เป็นเหตุเราทำความดีมีไม่มีไม่ได้แปลกล่ะแต่ว่าการเชื่ออย่างเนี้ยทาให้เรากลัวเทวดาจะจดความชั่วเราแล้วก็ต้องการอยากจะให้เทวดาจดความดีเราก็เป็นเหตุเราละชั่วหรือพ้นดี<อ>นะซึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าศาสน า, า, าเทวนิยมเนี่ยพระเจ้าเขาจะสิงสถิตอยู่ทุกคนทุกแข่ง<อ>จะรับรู้การกระทาของมนุษย์เพราะงั้นทาให้เขามีวินัยในตัวเองอยู่ได้ระดับ ไม่กล้าทำากล <นะ S 2> รัวพระเจ้ารัวพระเจ้าในวันวิพากษาน ะ, นะ <c oughs> ่านและทีนี้คือคือฐานะยากจนเนี่ยเราจะต้องมองว่าเราต้องพัฒนาตัวเองไปด้วยนะฮะเพื่อให้อ่ประสิทธิภาพของงานสูงขึ้นฝีมือเด่นขึ้นแล้วก็ทาให้นายจ้างเขาก็เลื่อน ตำแหน่งหน้าที่การงานก็เงินเดือนจะตามมาคร<ช>แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องตรวจสอบรายจ่ายว่าอะไรที่ควรจ่ายหรือไม่ควรจ่ายเช่นบ<ช><ช>ุหรี่สูบไหมดื่มเหล้าหรือเปล่าเที่ยวกลางคืนไหมครับ<ช>นะมันก็มีอะไรที่ประหยัดอดออมได้ครับอย่าลืมว่าเรามีงานยากจนแต่มีงานกับคนจนที่เที่ยวขอทานเนี่ยมันยังมีเยอะครับ<ช>คนที่เดือดร้อนไปเราเนี่มีเยอะเพราะงั้นเราต้องอยู่ให้ได้แล้วก็สู้ชีวิตถ้าได้ แล้วก็พยายามปรับที่ตัวเองอย่าลืมว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์จะต้องสร้างงานแล้วงานจะสร้างมนุษย์ครัหมายความว่ามนุษย์พัฒนาฝีมือในการทํางานขึ้นและฝีมือนั้นจะยกระดับมนุษย์ขึ้นทําให้เงินเดือนมันก็เพิ่มขึ้นตาแหน่งหน้าที่การงานก็สูงขึ้นเราก็สบายขึ้นนะมันไม่ใช่เรื่องวับ่งสวงอ้อนวอนครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่มีเหตุผลเข้ามันในตัว แต่เหตุดีผลก็ดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีอ่ะครับแต่เราก็ต้องทําเหตุเองครับผมขอบคุณทุ่านครับโซนสองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับโทรศัพท์สอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาได้นะครับทุกสายเพื่อสอบถามปัญหาธรรมะนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะประชาพันธ์ที่อยู่ของมหาวิทยาลัยนะครับแฟนรายการไหลายท่านอย่ากระจดไว้นะครับที่อยู่ของมหาวิทยาลัยสิปธุทุมนะครับสําหรับขีดหมายมาขอหนังสือธรรมะนะครับอก็คือ มหาวิทยาลัยศิีประทุมหกสิบเอดประหนโยทินจะตุจากกรุงเทพหนึ่งศูย์้าูนูย์นะครับ มาวิไลศิริปฐุมหกสิบเอดประหลนยอทินจตุจักกรุงเทพหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์นะครัจหมายมขอนตศธรรมะติดชมรายการแล้วก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้สําหรับรายการดีๆอย่างนี้นะครับซึ่งสร้างสารรค์โดยท่านพลเอกเสรีผูกำกับนะครับและท่านดรชินีพรพุกยาีรนบทผกำกับนะครับเสนอเป็นธรรมบรนดาการแด่ท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านนะครับ <S <S ทุว ท, ท, ท่านครับนักศึกษาฝากมาถามเช่นเดียวกันนะครับผมเจอนักศึกษาที่ฟังรายการเสียงธรรมกันเยอะมากบอกว่า ในฐานะที่เขาเป็นนักศึกษาเนี่ยเขาบางทีอาจจะไม่มีเวลาอาจจะได้ทําบุญน้อยแต่ว่าเขาไปเผยแพร่ธรรมะโดยการบอกญาติพี่น้องบอกเพื่อนช่างบ้านบอกอมิสหายบอกว่าให้ฟังรายการเสียงธรรมสิบชมเยอะๆอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้เป็นเป็ น, เ, ปนเขาเขาใจได้บุญอะไรเลยก็จะได้ไดบุญนะฮะก็วยาวไว้จะไม่อ่ะช่วยเหลือกวนขวัญในกิจการงานที่ชอบครับคือเราทําความดีแล้วเราชักชวนคนอื่นเนี่ยทําความดีด้วยครับ ตายไปแล้วเนี่ยจะมีทั้งบริวารสมบัติแล้วก็พกกัสมบัตินั้นป็นสูตรเลยเพราะงั้นการการการทำบุญคนจะชวนชว น, ช ว, นชวนเพื่อนอเวลาทำชั่วเนี่ยก็ชวนเขาไม่ชวน ก, ก, <laughs> นกันหรอกเพราะงั้นเวลาคนมาเรียอะไรที่จริงเราควรอนโมทนาเขา<อ>คือเขาเจตนาดีต่อเรารต้องการให้เรามีพภกกระซับ มีบริวารมีภพอสมบัติเขาเรียกว่าบริวารสมบัติกับภพอสมบัติครับตองการเออวันวันที่สาเดือนเนี่ยรู้สึกว่ามีนักศึกษาเขาโทรมาจะอะไรเขาก็ติดตามรายการเนี้ยคล้คายกับบันทึกเหตุการณ์อะไรเนี้ยไม่ไม่ไม่ นักศึกาอะไรก็จะมาพบกันที่สารสิเดชโอ้ครับครับก็มีนักศึกษาหลายท่านแล้วครับและหลายมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันนะครับแล้วขอบคุณแฟนรายการหลายๆท่านมากเลยนะครับช่วยเขียนจดหมายนะครับประชาชนพันธ์ไปบอกกล่าววิสหายว่าให้รับฟังรายการเสียงธรรจากศรีปฐุมนะโดยเฉพาะวันจันทร์เนี่ยนะครับต่อปัญหาธรรมะได้ดีมากๆเลยและกินใจมากเลยนะครับแฟนรายการหลายท่านช่วยบอกกล่าวประชาชนพันบอกต่อกันไปนะครับก็นะครับเป็นหลายสายนะครับบอกกระตอกันไปจะทําให้นะครับการเผยแพร่ธรรมะนะครับเป็นไปได้อย่างทั่วถึงเอ่อสายเอ่อ จดหมายสอบถามนะครับทุกผู้ชมครับการบูชาพระประจําวันเกิดเนี่ยนะครับถือว่ามีมาตั้งแตสมัยพุทธกาลหรือไม่แล้วก็การบูชาพระประจําวันเกิดแล้วจะได้บุญยังไงบ้างครับป็นอย่างครับไม่ใช่มันอยู่ที่ผู้ทานรตินะฮะคือคือสมัยพุทธกาลไม่มีหรอกเราพุทธรูปต้นเกิดทีหลังครับเกิดเมื่อพศหกร้อยกว่าแล้วก็ การคิดเป็นพระพุทธรูปบรรเกิดเนี่ยมันเป็นการพยายามผูกโยงศาสนากับศัยศาสตร์โอครับนะแล้วก็อาศัยอำนาจของาศาสนามาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติพิธีกรรมทางาศัยศาสตร์ครับเพราะฉั้นวันพระเปะ็นจอมันเกิดที่จริงไม่มีหรอกนะมันก็สร้างขึ้นแต่ว่าคนที่บูชาเนี่ยก็คือบูชาพระพุทธเจา้าบูชาพระพุทธเจา้านะครับตรงนี้มันเกิดอนุสติต ร, รตรงนี้เองครับเราจะไปติดใจอยู่ ยุ่งยิ้มมากใช่ไฮะพระพุทธรูปจะปางไหนก็คือพระพุทธรูปครับครับังางคนถามว่าทาไมเราต้องเป็นปางลำพึงด้วยเราเกิดมาวันนี้ต้องลำพึงตลอดเลยหรืากกันเองกันเองนะครับอย่างนี้ครับผมสร้างกันเยอะปางต่างๆนี่สร้างเรื่อยนะฮะครับโดยนักคิดนักไกจิตตะกอนปฏิมากรเขาก็เขียนเขาก็ปั้นกันตะเวนนี้ตั้งแปดสิบป่าแล้วมั้ยปางต่างๆครับใช่ครับผมก็ทํามาเรื่อยนะครก็แล้วแต่คิด แล้วเขตั้งกันเองค่ะท่านผู้จัดาว่าตั้งกันเองค่ะตั้งกัเองบางชีในเวนี้เอาเป็นแบบตีมูรติเลยพระพุทธรูปองค์เดียวมีพระหัตย์เยอะมีปางต่างๆซ้อนอยู่ในตัวมาดูรูปรูปอะไรก็มีเยอะเดี๋ยวนี้คนคนไทยคิดพิกลพิกลเยอะครับผมไม่รู้อะไรครับครับอเขอบคุณทุกใจมากครับสายที่สิบห้าครับผมสวัสดีข้าพเณรการครับการเทการหลวงพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับคืออย่างฝรั่ง สลังหรือคนต่างชาติเนี่ยเขาจะเรียกพระพุทธองค์ว่าหลอดบุตดาถ้าผมอยากอยากอยากเรียนถามว่ามันมีศัพท์ที่สูงขั้วกว่าขั้วขั้ว่าหลอดไหมฮะเพราะบางทีคนทำดาได้รับแต่งตั้งเป็นหลอดก็คือก็คือคนทำดาจะมาเทกับพระพุทธองค์ได้ไม่ได้เลยถ้าผอยากเรียนถามว่ามีศัพท์ที่สูงขั้วขั้ว่าหลอดหรือเปล่าครับผมครับครับผมขอบคุณมากเลยครับครับด้าสนใจ มันเป็นคําที่ในความหมายเราก็ไม่รู้ว่าหลอดลมันสูงขนาดไหนเหมืากันครับะในในในภาษาอังกฤษจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าตําแหน่งตรงนี้มันสูงขนาดไหนเพราะการที่เขาเรียกก็เรียกหลอดบุฎาเนี่ยก็แสดงว่าเขายกย่องนะะครับก็คงจะเราก็ไม่รู้รสึกในภาษาเขาอะ่ะใช่ไหม เ, เราเราเราคำอื่นเนี่ยคงจะไม่เหมาะที่จะเรียกระดับาศาสดามาั้ง เขาจึงเรียกอย่างนั้นเพราะอย่าลืมว่าเราก็ไม่นึกว่าแม้แต่เยซูเขาก็ไม่เรียกหลอดอใช่ไหมฮะก็ก็ศาสนาอื่นเนี่ยก็ยังยังยังไม่เจอว่ามีคำามาหลอดแต่เราก็ไม่ได้อ่านนะนะครับผมต้องต้องต้องยกให้เขาว่าเป็นกุศลและเจตนา เพราะว่ามันเป็นแบบภาษาอังกฤษเราต้องเข้าถึงอัถาเขานะฮะทีนี้เราก็ไม่ได้เก่งอะไรที่จะไม่รู้ว่าเออหลอดนี้มันปลอบมันอยู่ตรงไหนครับมีข้ามที่สูงกว่าไม้อะไรแต่ไรเนี่ยครับจะไปเรียกเอ็มเปอเรอะไรอะไรก็ไม่ได้นะมันไม่ได้มันเป็นมันเป็นชาวบ้านไปครับผมอาแล้วก็คุณี่คนจะกยคับสายที่16ครับผมสวัสดีครับเพื่นราการครับเรื่องเกี่ยวกับท่านหลอดนะฮะครับผมพระเยซูเขาเรียกหลอดนะ นะครับครับเป็นเทคนิวเทสเตเมนต์นะฮะอ๋อไทยแล้วก็อิงกิษเป็นเวอร์ชันแปลจากไทยเป็นอังกฤษนะอ๋อนะครับเาเรียกรอดก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยัอ๋อครับ ดีดีแล้วขอบใจยงขอบคุณมากเลยนะครับดีครับขอบผมแฟนรายกรขบผมขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับแฟนรายการหลายท่านนะครับฟังแล้วก็นะครับช่วยกันนะครับมีข้อต่างๆที่จะเป็นเกียรเกียตน้อยก็ส่งมาได้นะครับรายการเสียงธรรจากมหาวิทยาลัยสุทุมวินดีครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้าครับที่ควรจะครับตอนนี้หลายคนพูดกันมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะส่งเสริมศาสนาเข้าในหมู่วัยรุ่นนะครับแฟนรายการหลายท่านบอกว่าเป็นครูอาจารย์จับเงินต่างๆเนี่ย ทุกขจรพอมีหนังสือหรือเป็นแนวทางไหมครับเป็นไกด์ไลน์ไหมครับว่า จะสอนหนังสือสอนอยังไงในระดับมัธยมให้รู้เรื่องในระดับเจ้าคุณยังเคยบอกว่าประถมน่าจะรู้แค่นี้มัธย ม, ยยมหรือคนมาถามอะไรคนรู้แค่นี้ก็ที่ม <c oughs> คือเชื่อมาว่ามันมันที่จริงมันควรจะจับหลักตามมุฒิภาวะเลยะยาเอาไว้มั่วครับถูกครับใหญ่เยอะเย้ <c oughs> ยาธรรมะมากองรวมกันเป็ น, <c oughs> ปนกรุ <c oughs> <ๆ S 2> ๊กกรุ๊กมันมันไม่ได้ครับเชื่อมากบอกบอกว่าเด็กเนี่ยถ้าเด็กเล็กๆระดับอนุบาลถึงจนถึงป .6 เนี่ย เรียนดีประพฤติดีอย่าดือ้ออครับผมเนี่ยนะครับแล้วทีนี้เสร็จแล้วพอโต ร, ระดับมสามขึ้นไปถึงมหกเนี่ยซื่อสัตว์มั่นกระตันอยู่รู้หน้าที่เอามันสามอย่างเลยครับผมสื่อสัตว์มั่นกระตันอยู่รู้หน้าที่ใช่ครับผกรอบมหาศาลแล้วทีนี้ใช่ไหมครับไม่ไดื้อคําเดียวนี่มันสารพัดอะ่ะครับ เพราะว่าเด็กมันอยู่ในการดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ญาติและอะไรต่างๆเนี่ยถ้าแกไม่ดื้อก็จบละครับเห็นไนหะเรียนดีถ้าแกไม่ดีแกไม่ดื้อแกแก็ต้องเรียนดีแกก็ต้องประพฤติดีไอ้ไม่ดื้อเนี่ยคือประพฤติดีครับแต่ว่าการที่แกไม่ดื้อกับกับแกประพฤติดีเนี่ยการเรียนดีก็คือหนึ่งในประพฤติดีครับ เห็นไหมจริงมันก็เกิดมาจากกันไม่ดื้อทีนี้ถ้ากลัวจะมากก็อย่าดื้อพอครับำเดียวอย่าเอามากทำเนี่ยกับเด็กอย่าเอามากครับแต่ว่าถือว่าเป็นหลักเลยทําให้ได้ไหมอย่าให้แกรู้สึกว่ามากครับแต่ว่าผลมันจะตามมาเองเราว่าจัดจุดเนี่ยไม่ดื้อพอไปถึงแกแกชักจะแปลงแปลงระบบเอ้าวอ้าวอาอย่าดื้อนะเพราะตกลงไม่ดื้งไงเอานะ มันก็มันก็ไปได้เยอะต่อเอาตัวเนี้ยครับชื่อสัตว์มั่นกาตันยูรู้นั่นที่ชื่อสัตว์จำเดียวก็ครอบจักรวาลแล้วครับผมเจอไหมฮะกาตันยูเนี่ยมัเป็นปัญญาครับใช่ไหมฮะมันมันพอกาตันยูแล้วเมตดละหม่ขึ้นมาเนี่ยอะไรเราต้องกาตันยู่หมดไอดินน้ําลงไฟอากาศเราต้องกาตันยู่หมดครับเพราะเพราะงั้นท่านจึงบอกเป็นนิมิตหมายของความเป็นคนดีครับ อย่าลืมมาการใช้ปัญญาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตแต่อะไรปั๊บเนี่ยกินข้าวเนี่ยเราก็นึกถึงครูประการตั้งแต่ชาวนาตั้งแต่โรงปุ๋ยตั้งแต่อะไรแต่กระบวนการคใช่ไหมมันก็รู้สึกดีต่อกนะันเนี่ยอุปาย ะ, อ, ายะอุบายวิธีฝึกรนรชนอย่าให้มากครับแตามากแล้วก็ยุง่งเราเนี่ยทำขวัญวันเด็กทําไมเปลี่ยนมันทําไมหรอ เป็นบ่อยจนเด็กงงนะคืออย่าเปลี่ยนคำขวัญอย่าเปลี่ยนครับผมคุณต้องเข้าใจว่าคำขวัญมันไปถึงกันหมดนั่นแหละครับผมแต่ว่าพอเราเปลี่ยนมามากเลยเด็กลึกหมดแล้วทุกปีเปลี่ยนทุกปีแล้วพอออกคําขวัญกันเยอะปีปเนี้ยคมันมันเอามาเองว่าครูมาจาเกเด็กยังไม่เข้าถึงสาระาของคําว่าศีลธรรมจริยธรรมครับไม่เข้าถึงนั้นทองอยากนะแกไม่ว่าเป็นลิ่มๆอ่ะเป็นทันทันทันๆันทันทัน โดยกระจับใส่กะทิทอดหีือทอดมันไม่ใช่หรอกมันเป็นกระบวนการทางจิตครับนะครับข้าแม่ครัวเจ้าหลายๆท่านนะครับเขียนจดหมายมาบอกว่าอยากจะอขอท่านผอาจัดช่วยเทศลงเีดีสักหน่อยได้ไหมว่าแนวทางการสอนพุศาสนาเป็นยังไงบ้างสําหรับระดับชั้นต่างๆนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะเรียนนําเสนอท่านผู้เด็ศเสดรจผู้ขมานต่อไปนะครับวันนี้รายการเสียงธรจากมหาวิทยาลัยศรีปรุมกอกราบปราท่านผู้รฟังรายการทุกท่านก่อนนะครับขอความเจริญธรรมีแต่ท่านผู้รฟังในยการทุกท่านนะครับขอกราบสวัสดีครับผม